วิธีเรียนเอากรรมฐานคำว่าเรียนนั้นมีอถาธิบายดังต่อไปนี้อัญโยคีบุคคล น, นั้นพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้มีลักษณะอาการตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาในหัวข้อว่าพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ให้พระกรรมฐานชะนี้แล้วพึงถวายตัวแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหรือแก่พระอาจารย์ แลพึงทาตนให้เป็นผู้มีอัจฉริยสัยอันสมบูรณ์มีอาทิมุต์อันสมบูรณ์แล้วพึงขอเอาพระกรรมฐานเถิดคำถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าในการถวายตัวนั้นโยคีบุคคลพึงกล่าวคำถวายตัวแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่าดังนี้คำบาลี อิมาหังพักวาอัตตาพาวังตุมหากรังปริจชามิคำไทยข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอัตภาพร่างกายอันนี้แด่พระพุทธองค์โทษที่ไม่ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าจริงอยู่โยคีบุคคลครั้นไม่ได้ถวายตนอย่างนี้แล้ว เมื่อหลีกไปอยู่ที่เสนาสะนะเงียบสงดครันอารมณ์อันน่ากลัวมาปรากฏให้เห็นในคลองแห่งจักษุก็ไม่สามารถที่จะยับยัง้งตั้งตนอยู่ได้จะเลี่ยงหนีไปยังแดนหมู่บ้านเกิดเป็นผู้คลุกคลีกับพวกคฤารือหัดทำการสแสวงหาลาบสักการะอันไม่สมควรก็จะพึงถึงซึ่งความชิบหายซะอ น, นิสงถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า ส่วนโยคยีบุคคลผู้ได้ถวายตัวแล้วถึงแม้จะมีอารมณ์อันน่ากลัวมาปรากฏให้เห็นในคลองแห่งจักสุก็จะไม่เกิดความหวาดกลัวแต่อย่างใดมีแต่จะเกิดความโสมนัสอย่างเดียวโดยที่จะได้เตือนตนว่าพ่อบัณฑิตก็วันก่อนนั้นเจ้าได้ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิใช่หรือเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งจะพึงมีผ้ากาสิกพั คือผ้าที่ทำในแว่นแควนกาสีอย่างดีที่สุดเมื่อผ้านั้นถูกหนูหรือพวกมแมลงสาบกัดเขาก็จะพึงเกิดความเสียใจแต่ถ้าเขาพึงถวายผ้านั้นแกภิกษุผู้ไม่มีจีวรไปแต่นั้นถึงเขาจะได้เห็นผ้านั้นอันภิกษุเอามาตัดทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็จะพึงเกิดแต่ความโสมนัสอย่างเดียวฉันใดแม้คำอุปมาัยนี้ นักศึกษาก็พึงทราบเหมือนฉันนั้นคำถวายตัวแด่อาจารย์โยคีบุคคลแม้เมื่อจะถวายตัวแด่พระอาจารย์ก็พึงกล่าวคำถวายตัวดังนี้คำบาลีอิมาหังพันเตอัตภาวังตุมหากังปริจฉามิคำไทย ค่าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญกระผมขอมอบถวายอัตภาพร่างกายอันนี้แก่ท่านอาจารย์โทษที่ไม่ถวายตัวแก่อาจารย์โยคีบุคคลผู้ไม่ได้ถวายตัวอย่างนี้ย่อมจะเป็นคนอันไกลๆขัดขวางไม่ได้บางทีก็จะเป็นคนว่ายากไม่เชื่อฟังโอวาทบางทีก็จะเป็นคนตามแต่ใจตนเอง อยากไปไหนก็จะไปโดยไม่บอกลาอาจารย์ก่อนโยคียบุคคลเช่นนี้นั้นอาจารย์ก็จะไม่รับทรงเคราะห์ด้วยอามิตรหรือด้วยธรรมะคือการสั่งสอนจะไม่ให้ศึกษาวิชากรรมฐานอันสุขุมลึกซึ้งเมื่อเธอไม่ได้รับการทรงเคราะห์สองประการนี้แล้วก็จะไม่ได้ที่พึ่งในพระศาสนาไม่ช้าไม่นานก็จะถึงซึ่งความเป็นคนทุศีน หรือเป็นข้าระหัสไปเลยอ น, นิสงที่ถวายตัวแก่อาจารย์ส่วนโยคียบุคคลผู้ถวายตัวแล้วจะไม่เป็นคนอันไกลใครขัดขวางไม่ได้ไม่เป็นคนตามแต่ใจตนเองจะเป็นคนว่าง่ายมีความประพฤติติดเนื่องอยู่กับอาจารย์เมื่อเธอได้รับการสงเคราะห์อสองประการจากอาจารย์แล้ว ก็จะถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูในพระศาสนาเหมือนอย่างพวกสิทธันเตวาสิก ข, ของพระจุลปินทปาติกาติสสะเทระเป็นตัวอย่างเรื่องสิทธิพระติสสะเทระมีเรื่องเล่าว่ามีภิกษุสามรูปได้มาสู่สำนักของพระติสสะเทระแล้วในสามรูปนั้นรูปหนึ่งกราบเรียนอาสาแก่พระเทระว่า ท่านครับเมื่อมีใครๆขอร้องเพื่อประโยชน์ของท่านอาจารย์แล้วกระผมสามารถที่จะกระโดดลงไปในเหว ล, ลึกชั่วร้อยบุรุษรูปที่สองกราบเรียนอาสาว่าท่านครับเมื่อมีใครๆขอร้องเพื่อประโยชน์ของท่านอาจารย์แล้วกระผมสามารถที่จะเอาร่างกายนี่ฝนที่พื้นหินให้กล่อนไปตั้งแต่ส้นเท้าจนกระทั่งไม่มีร่างกายเหลืออยู่ รูปที่สามกราบเรียนอาสาว่าท่านขอรับเมื่อมีใครๆขอร้องเพื่อประโยชน์ของท่านอาจารย์แล้วกระผมสามารถที่จะกล้านลมอาสาสะปัสสาสะทำกาลากิริยาตายได้ฝ่ายพระเทระพิจารณาเห็นว่าภิกษุเหล่านี้เป็นผู้มีความสมควรแล้วจึงได้บอกพระกรร ม, มาฐานให้ภิกษุเหล่านั้นดารงตนอยู่ในโอวาทของพระเทระ ได้บรรลุซึ่งพระอรหัดแม้ทั้งสามรูปแลนี้เป็นอณนนิสงในการมอบถวายตัวด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเด้กล่าวไว้ว่าพึงมอบถวายตัวแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหรือแก่อาจารย์ชันนี้โยคีผู้มีอัจฉสัยสมบูรณ ในหัวข้อสังเขตที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่าเป็นผู้มีอัจฉาใยอันสมบูรณ์และมีอธิมุติอันสมบูรณ์ชนิดนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าอัจฉาใยมีอัธวิเคราะห์ว่าอัญญธะปวติตวาปิจตังอาคัมมะยัตะเสติโสตัสะอาสโยมิคาสโยวิยะอาสโยเอวะอัจฉรโย จิตนั้นถึงแม้จะเกิดในอารมณ์อื่นๆแล้วก็กลับมานอนอยู่ในธรรมะใดธรรมะนั้นชื่อว่าอาศยะธรรมะเป็นที่มานอนอยู่ของจิตดุจที่ที่มานอนอยู่ของมรึคสักด์ว่าอาศยะนั่นเองได้รูปเป็นอัจฉรยะคืออัจฉรใสอัญโยคีบุคคลนั้นพึงเป็นผู้มีอัจฉรใสอันสมบูรณ์โดยอาการหกอย่าง ด้วยอำนาจแห่งธรรมมีอโลภะเป็นต้นอ ธ, ธิบายของดีกาจาร์ในอธิการนี้ท่านดีกาจาร์ได้อ ธ, ธิบายไว้อย่างพิสดารดังนี้ธรรมะทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นมีอุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลายและแกโยคีบุคคลโดยพิเศษทั้งนี้เพราะเป็นเหตุกำจัดเสียซึ่งโทษอย่างอ น, นันต์ และเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณอย่างมาหันเป็นความจริงอย่างนั้นธรรมะทั้งหลายมีอโลภาเป็นต้นย่อมเป็นไปโดยความเป็นปฏิปักษ์แก่มนทินทั้งหลายมีมนทินคือความตรณีเป็นต้นสมจริงตามที่ท่านอัทธกถาจารย์แสดงไว้ในอัทธกถาแห่งอภิธรรมดังต่อไปนี้อโลภาเป็นปฏิปักษ์แก่มนทินคือความตรณี อโทสะเป็นปฏิปักแก่มนทินคือความทุศีลอโมหะเป็นปฏิปักแก่การไม่ภาวนาในกุศลธรรมทั้งหลายและในสามเหตุนั้นอโลภะเป็นเหตุแห่งทานอโทสะเป็นเหตุแห่งศีลอโมหะเป็นเหตุแห่งภาวนาและในสามเหตุนั้นบุคคลย่อมถืออย่างไม่ตึงเครียด ด้วยอโลภาเพราะคนที่โลภแล้วย่อมถืออย่างตึงเครียดบุคคลย่อมถืออย่างไม่หย่อนยานด้วยอโทสะเพราะคนที่โกรธแล้วย่อมถืออย่างหย่อนยานบุคคลย่อมถืออย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนด้วยอโมหะเพราะคนที่หลงแล้วย่อมถืออย่างวิปริตผิดเพี้ยนอีกอย่างหนึ่งในสามเหตุนั้น บุคคลทรงจำโทษอันมีอยู่ไว้โดยความเป็นโทษและประพฤติเป็นไปในโทษนั้นด้วยอโลภะเพราะคนที่โลภแล้วย่อมปกปิดโทษไว้บุคคลทรงจำคุณอันมีอยู่ไว้โดยความเป็นคุณและประพฤติเป็นไปในคุณนั้นด้วยอโทสะเพราะคนที่โกรธแล้วย่อมลบล้างคุณเสีย บุคคลทรงจำซึ่งสภาวะที่เป็นจริงโดยเป็นสภาวะที่เป็นจริงและประพฤติเป็นไปในสภาวะที่เป็นจริงนั้นด้วยอโมห oh ะเพราะคนหลงแล้วย่อมยึดถือสิ่งที่เปล่าว่าไม่เปล่าและสิ่งที่ไม่เปล่าว่าเปล่าอนหนึ่งทุกเพราะพลากจากสิ่งที่รักย่อมไม่เกิดมีด้วยอโลมะเป็นเหตุเพราะคนที่โลภแล้ว เป็นแดนเกิดแห่งสิ่งเป็นที่รักด้วยเพราะอดกลั้นไว้ไม่ได้ต่อการพรากจากสิ่งที่รักด้วยทุก์เพราะประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักย sure> ่อมไม่เกิดมีด้วยอโทสะเป็นเหตุเพราะคนโกรธแล้วเป็นแดนเกิดแห่งสิ่งไม่เป็นที่รักด้วยทุก์เพราะไม่ได้สมหวังย่อมไม่เกิดมีด้วยอโมหะเป็นเหตุ เพราะคนที่ไม่หลงเป็นแดนเกิดแห่งการใคร้ครวนพิจารณาว่าข้อนั้นจะพึงได้ณที่นี้แต่ที่ไหนเล่าอีกประการหนึ่งในเหตุสามอย่างนั้นชาติทุกข์หรือชาติทุกข์กไม่มีด้วยอาลภพะเป็นเหตุเพราะอาลภพะเป็นปฏิปักษกตันหาเพราะชาติทุกข์มีตันหาเป็นมูลรากชาราทุกข์ไม่มีด้วยอโทสะเป็นเหตุ เพราะความโกรธอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้แก่เร็วมรณะทุกข์ไม่มีด้วยอมโมหะเป็นเหตุเพราะความหลงตายเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์และมรณะทุกข์นั้นย่อมไม่มีแก่คนที่ไม่หลงอนึ่งความอยู่ร่วมกันอย่างสบายย่อมมีแก่ขเรือหัดทั้งหลายด้วยอโลภะเป็นเหตุความอยู่ร่วมกันอย่างสบาย ย่อมมีแก่บรรพชิตทั้งหลายด้วยอโมหะเป็นเหตุส่วนความอยู่ร่วมกันอย่างสบายสำหรับคนทุกเพศย่อมมีได้ด้วยอโทสะเป็นเหตุอีกประการหนึ่งเมื่อว่าโดยพิเศษแล้วในเหตุสามนั้นด้วยอโลพะเหตุจึงไม่มีการเกิดในเปติวิสัยคือภูมิแห่งเปรตจริงอยู่ส่วนมากสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเข้าถึงเปติวิสัยด้วยตัณหาและอโลภะก็เป็นปฏิปักษ์แก่ตัณหาด้วยด้วยอโทสะเหตุจึงไม่มีการบังเกิดในนรกจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงนรกอันคล้ายกับโทสะด้วยโทสะเป็นเหตุเพราะเป็นผู้มีสันดานดุร้ายและอะโทสะก็เป็นปฏิปักษ์แก่โทสะด้วย ด้วยอโมหะเหตุจึงไม่มีการบังเกิดในกำเนิดดิรัชานจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงกำเนิดดิรัชานอันหลงอยู่ตลอดการด้วยโมหะเป็นเหตุและอะโมหะก็เป็นปฏิปักษ์แก่โมหะด้วยอันหนึ่งในสามเหตุนั้นอนโลภพะเหตุทำให้ไม่มีการประจวบด้วยอำนาจราคะ อโทสะเหตุทําให้ไม่มีการพลัดพรากด้วยอํานาจโทสะอโมหะเหตุทําให้ไม่มีความไม่เป็นกลางด้วยอํานาจโมหะอีกประการหนึ่งสัญญาสามเหล่านี้คือเนคขมะสัญญาสัญญาในการออกจากกามหนึ่งอภยาปาทะสัญญาสัญญาในอันไม่พยาบาทหนึ่ง วิหิงสาสัญญาสัญญาในอันไม่เบียดเบียนหนึ่งและสัญญาอีกสามเหล่านี้คืออสุภาสัญญาสัญญาในความไม่งามหนึ่งอปประมาณสัญญาสัญญาในอันไม่มีประมาณหนึ่งธาตุสัญญาสัญญาในความเป็นธาตุหนึ่งย่อมมีได้ด้วยเหตุแม้ทั้งสามประการนี้โดยลำดับอันหนึ่งการงดเว้น ซึ่งขอบทางคือการมาสุขคัิการุโยกย่อมมีได้ด้วยอโลพะการงดเว้นซึ่งขอบทางคืออัตตะกิลมามัทานุโยกย่อมมีได้ด้วยอโทสะกการดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางย่อมมีได้ด้วยอโมหะอันหนึ่งการทำลายอภิชากายคันทะย่อมมีได้ด้วยอโลพะ การทำลายพยาบาทกายคันทะย่อมมีได้ด้วยอโทสะการทำลายคันทะสองที่เหลือคือศิลปัตะปรามาตและอิทังสัจจาพินิเวสะย่อมมีได้ด้วยอโมหะอันหนึ่งสติปัฐานสองข้อต้นย่อมสำเร็จด้วยอานุภาพของกุศลละเหตุสองข้างต้นสติปฐานสองข้อหลังย่อมสำเร็จ ด้วยอนุภาพของกุศลละเหตุข้อหลังข้อเดียวอีกประการหนึ่งในสามเหตุนั้นอโลภะเหตุย่อมเป็นปัจจัยแก่ความไม่มีโรคจริงอยู่คนที่ไม่มีโลภะย่อมไม่เสพอาหารอันไม่เป็นที่สบายแม้ที่เราให้อยากกินจึงเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยเหตุนั้นอโทสะเหตุ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ความเป็นหนุ่มจริงอยู่คนที่ไม่โกรธอันฝ่ายคือความโกรธไม่เผาผลาญด้วยอำนาจทำหนังให้เหี่ยวและทำผมให้หงอกย่อมเป็นหนุ่มอยู่ได้า น, นานๆอมโมหะเหตุย่อมเป็นปัจจัยแก่ความมีอายุยืนจริงอยู่คนที่ไม่หลงรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้ว เล่าเว้นเสียซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สองเสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนอีกประการหนึ่งในสามเหตุนั้นอโลพาย่อมเป็นปัจจัยแก่โภคาสมบัติเพราะเหตุที่คนจะได้โภคาสมบัติด้วยการบริจาคอโทสะเป็นปัจจัยแก่มิตรสมบัติเพราะเหตุที่คนจะได้มิตรทั้งหลาย ด้วยเมตตาและเพราะไม่เสื่อมมิตรก็ด้วยเมตตาอโมหะเป็นปัจจัยแก่อัตตาสมบัติจริงอยู่คนที่ไม่หลงทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างเดียวย่อมทาตนให้สมบูรณ์อันหนึ่งอโลภะเป็นปัจจัยแก่การอยู่อย่างเทวดาอโทสะเป็นปัจจัยแก่การอยู่อย่างพรม อมโมหะเป็นปัจจัยแก่การอยู่อย่างพระอริยะเจ้าอีกประการหนึ่งในสามเหตุนั้นบุคคลเป็นผู้ดับเสียได้ในสัตว์และสังขารทั้งหลายฝ่ายของตนด้วยอโลภะเป็นเหตุเพราะทุกข์ซึ่งเป็นเหตุปรุงแต่งไม่มีเพราะสัตว์และสังขาเหล่านั้นพินาศไป บุคคลเป็นผู้ดับเสียได้ในสัตว์และสังขารทั้งหลายฝ่ายของคนอื่นด้วยอโทสะเป็นเหตุเพราะความจองเวรแม้ในคนคู่เวรทั้งหลายไม่มีสำหรับคนที่ไม่โกรธบุคคลเป็นผู้ดับเสียได้ในสัตว์และสังขารทั้งหลายฝ่ายเป็นกลางๆด้วยอโมหะเป็นเหตุเพราะความปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีสำหรับคนที่ไม่หลง อีกอย่างหนึ่งการเห็นอนิจจังย่อมมีได้ด้วยอโลภะจริงอยู่คนที่โลภแล้วย่อมไม่เห็นสังขารทั้งหลายแม้ที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยหวังในการซ่องเสพอยู่การเห็นทุกขังย่อมมีได้ด้วยอโทสะจริงอยู่คนที่มีอัจชชาสัยไม่โกรธเป็นผู้ปล่อยวางอาคาตวัตถุ แล้วยอมเห็นสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นทุกข์การเห็นอนัตตายอมมีได้ด้วยอโมหะจริงอยู่คนที่ไม่หลงเป็นผู้ฉลาดในการถือเอาตามความจริงย่อมรู้แจ้งขันห้าอันไม่ได้เป็นผู้นำโดยความไม่ใช่ผู้นำอันหนึ่งทัศนะทั้งหลายมีการเห็นไม่เที่ยงเป็นต้น ย่อมมีได้ด้วยเหตุทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นเหล่านี้ฉันใดแม้เหตุทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นเหล่านี้ก็มีได้ด้วยทัศนะทั้งหลายมีการเห็นอนิจจังเป็นต้นเช่นเดียวกันจริงอยู่อโลภะย่อมมีได้ด้วยการเห็นอนิจจังอโทสะย่อมมีได้ด้วยการเห็นทุกขังอโมหะย่อมมีได้ด้วยการเห็นอนัตตา ก็ใครเล่ารู้โดยถูกต้องว่าคันห้านี้เป็นทุกข์แล้วจะพึงยังความรักให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คันห้านั้นหรือรู้สังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์แล้วจะพึงยังทุกข์เพราะความโกรธอันคมกล้าที่สุดแม้อื่นอีกให้เกิดขึ้นแล้วรู้ความว่างเปล่าจากตัวตนของสังขารทั้งหลายแล้วจะพึงยังความหลงงมงายให้เกิดขึ้นอีกต่อไป ด้วยเหตุดังพันานามานี้ท่านดีกาจาร์จึงให้อ ธ, ธิบายคำว่าผู้มีอัชชาใสสมบูรณ์ไว้ว่าอัชชาใสของบุคคล น, นี้สมบูรณ์แล้วด้วยอำนาจการยางศิลสมบัติเป็นต้นอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้สำเร็จและด้วยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่โลกุตระธรรมทั้งหลายเหตุนั้นบุคคล น, นี้จึงชื่อว่าสัมปันาชาสโย ผู้มีอัชชาใสาสมบูรณ์แล้วช่นนี้อัธถธิบายของดีกาจารย์ตั้งแต่ต้นจนถึงนี้ยกเอาความในดีกาวิสุทธิมากมาลงไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ความแจมแจ้งและความนี้ปรากฏในอั ธ, ธกถ า, าอัธสาลินีหน้าสองยดถึงหน้า224อีกโสดหนึ่งด้วย อัจฉริย์หกประการมีความจริงอยู่ว่าโยคีบุคคลผู้มีอัจฉริยสมบูรณ์เห็นปานชนี้ย่อมจะบรรลุพระโพธิญาณสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งสมกับที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าอัจฉริย์หกประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่แห่งโพธิญาณของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอัจฉาสัยไม่โลภเห็นโทษในความโลภ 2. พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัจชาใสัยไม่โกรธเห็นโทษในความโกรธ 3. พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัจฉาสัยไม่หลงเห็นโทษในความหลง 4. พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัจชาใสัยในการออกบวชเห็นโทษในคารวาส ห้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัจฉาิสายชอบความสงบเห็นโทษในการคลุกคลีกับหมู่คณะและหกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัจฉาิสายในพระนิพพานเห็นโทษในภพและคติทั้งปวงก็แลพระโสดาบันพระสกัาคามีพระอนาคามีพระขีณาสพพระประเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจำพวกใดจำพวกหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่จะมีมาในอนาคตทั้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นได้บรรลุแล้วซึ่งคุณในวิเศษอันตนและตนพึงบรรลุด้วยอาการทั้งหลายหกประการนี้นั่นเทียวเพราะฉะนั้นอนโยคีบุคคลพึงเป็นผู้มีอัจฉริยสมบูรณ์ด้วยอาการหกประการเหล่านี้ โยคีผู้มีอาิมุตสมบูรณ์ก็แลอันโยคีบุคคล น, นั้นพึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาิมุตด้วยความเป็นผู้น้อมจิตไปเพื่อประโยชน์นั้นอธิบายว่าพึงเป็นผู้น้อมจิตไปในสมาธิเป็นผู้หนักในสมาธิเป็นผู้น้มจิตไปในสมาธิและพึงเป็นผู้น้อมจิตไปในนิพพาน เป็นผู้หนักในนิพพานเป็นผู้โน้มจิตไปในนิพพานวิธีสอนกรรมฐานเมื่อโยคีบุคคลนั้นซึ่งมีอัจฉริยใสและอาธิมุตสมบูรณ์ได้ที่แล้วดังพันนานามานี้ขอเอากรรมฐานอันอาจารย์ผู้ได้สำเร็จเจโตปริยญาณพึงตรวจสอบวาราจิตให้ทราบจริยาเช่ยก่อน สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้สำเร็จเจโตปริยานอกนี้พึงทราบจริยาโดยสอบถามโยคีบุคคลโดยในยะมีอาธิว่าเธอเป็นคนจริตอะไรหรือธรรมะอะไรบ้างรบ ก, กวนเธอมากหรือเมื่อเธอพิจารณาถึงกรรมฐานข้อไหนจึงมีความผาสุกสบายหรือจิตของเธอน้อมไปในกรรมฐานข้อไหนครั้นทราบจริยาอย่างนี้แล้ว จึงสอนกรรมฐานอันเหมาะสมแก่จริยาต่อไปพึงสอนกรรมฐานด้วยสามวิธีก็แล้วอันอาจารย์นั้นเมื่อจะสอนกรรมฐานพึงสอนด้วยวิธีสามประการคือสําหรับโยคีบุคคลผู้เรียนกรรมฐานอยู่แล้วตามปกติพึงให้สาธยายให้ฟังต่อหน้าสักหนึ่งหรือสองที่นั่งคือหนึ่งถึงสองจบ แล้วจึงมอบให้อย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ประจําในสำนักพึงสอนให้ทุกๆครั้งที่เธอมาหาอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เรียนเอาแล้วประสงค์จะไปปฏิบัติหน้าที่อื่นพึงสอนอย่าให้ย่ อ, อกเกินไปอย่าให้พิสดารเกินไปอย่างหนึ่งพึงสอนให้ทราบอาการ9ก้าอย่าง ในกรรมฐานเหล่านั้นเมื่ออาจารย์จะสอนปัทวีกสินกรรมฐานเป็นประการแรกพึงสอนให้ทราบอาการ9้าเหล่านี้คือโทษแห่งกสินสี่อย่างวิธีทาดวงกสินวิธีภาวนาซึ่งกสินที่ทำแล้วนิมิตสองอย่างสมาธิสองอย่างธรรมะเป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายเจ็ความเป็นผู้ฉลาดในอปปนาสิบอย่าง การทำความเพียรให้สม่ำเสมอและวิธีแห่งอัปปนาแม้ในกรรมฐานที่เหลือทั้งหลายก็พึงสอนอาการอันสมควรแก่กรรมฐานนั้นๆอาการทั้งหมดนั้นจักแจ้งชัดในวิธีภาวนาของกรรมฐานทั้งหลายเหล่านั้นโยคีบุคคลต้องจำให้แม่นยำ ก็แหละเมื่ออาจารย์สอนกรรมฐานให้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้อโยคีบุคคล น, นั้นพึงตั้งใจฟังจําเอานิมิตนั้นให้ได้คือเอาอาการนั้นๆมาผูกไว้ในใจอย่างนี้ว่านี้เป็นบทหลังนี้เป็นบทหน้านี้เป็นใจความของบทนั้นนี้เป็นอธิบายของบทนั้นและบทนี้เป็นคำอุ ป, ปมาและเมื่อโยคีบุคคล ฟังอยู่โดยเคารพจำเอานิมิตได้อย่างนี้แล้วย่อมเป็นอันชื่อว่าเรียนเอากรรมะทานด้วยดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้การบรรลุ ค, คุณในวิเศษก็จะสําเร็จแก่เธอเพราะอาศัยการเรียนเอวด้วยดีแล้วนั้นแต่ย่อมจะไม่สําเร็จแก่โยคีบุคคลผู้ไม่ได้เรียนเอวด้วยดีนอกนี้ อธิบายความแห่งคำว่าเรียนนี้ยุติเพียงเท่านี้ด้วยอธิบายเพียงเท่านี้เป็นอันว่าบทอันเป็นหัวข้อสังเขตว่าพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรแล้วเรียนเอาพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพระกรรมฐานสี่สิประการอันเหมาะสมแก่จริต จ, จริยาของตนดังนี้อันข้าพเจ้า ได้อธิบายให้พิสดารแล้วโดยสิ้นเชิงด้วยประการชนี้ปริเฉตที่สามชื่อว่ากรรมฐานคหนนิเทศในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้ารจนาขึ้นเพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้